เสียงอ่านหนังสือวิปัสสนานนบาลงานเขียนโดยดังตรินบทความเพื่อการเจริญสติในขั้นต้นแบบเรียบง่ายทำได้ทุกเพศทุกวัยในชีวิตประจำวันอันเป็นการปฏิบัติธรรมสายตรงเพื่อสู่การพ้นทุกการเจริญสติดูจิตดูกายดูลมหายใจเป็นคำสอนหลักที่มีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นชีวิตที่มีค่ายิ่งในขณะที่คําสอนพระศาสดายังอยู่ครบถ้วนขอทุกท่านร่วมกันศึกษาปฏิบัติส่งต่อคําสอนแท้ที่แก้ทุกทางใจได้ทุกเรื่องในขณะมีชีวิตเสียงอ่านโดยอริยะคุณพุทธธรรมโจโฉเสียงธรรมชมรมผลดีจัดทําเพื่อเป็นธรรมทานโดยคุณธนพนเลจิจิรักคุณคุณอรส า, าเลจิจิรักคุณพร้อมลูกๆและครอบครัว ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาร่วมสืบต่อพระศาสนาด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญสติร่วมส่งต่อเผยแผ่ธรรมได้ตามกำลังและความพร้อมนะครับเสียงงานชุดนี้เป็นการแนะแนวการปฏิบัติหากไม่เข้าใจแนะนําให้ฟังซ้ําห ล, หลายๆรอบหรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ฟรีเพื่อมาอ่านทําความเข้าใจเพิ่มแล้วมันกลับมาฟังซ้ําอีกนะครับเพื่อเป็นการทบทวนซึ่งจะทําให้เข้าใจได้ลึกซึ้งและตรงทางยิ่งขึ้นนะครับ สัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอทุกท่านเจริญในทางที่เป็นกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปบรรลุธรรมในชาตินี้ในเร็ววันนี้ทุกท่านนะครับเสียงอ่านหนังสือวิปัสสนานุบาลโดยดังดรินฉบับสมบูรณ์ปรับปรุงใหม่ หนังสือเล่มนี้อาศัยกายใจของคุณขณะนั่งอ่านเป็นอุปกรณ์สาธิตประกอบเนื้อหาเนื้อหากล่าวถึงวิปัสนาอย่างไรประสบการณ์ทางวิปัสนาจึงถูกเนี่ยนาให้เกิดกับคุณอย่างนั้นคำนำํานําสํานักพิมพ์วิปัสนา누บาลเป็นที่รู้จักกันในฐานะหนังสือที่เต็มไปด้วยประโยคเนี่ยนาให้ผู้อ่านเกิดสติรู้สึกถึงความไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตนของกายใจที่กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่นั่นเองครั้งแรกที่ตีพิมพ์คือเดือนมีนาคมพุทธศักราช2547และคราวนี้เมื่อสำนักพิมพ์ฮาฟฟาได้นำมาตีพิมพ์อีกครั้งหลังจาก10ปีผ่านไปคุณดังตรินได้เขียนใหม่ทั้งหมดอีกทั้งเพิ่มภาพประกอบที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดความรู้สึกเข้ามาในตนเองชัดเจนกว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว รวมทั้งแนะนำการใช้เทคโนโลยีของวันนี้เป็นพี่เลี้ยงช่วยเจริญสติอีกด้วยถ้าจะกล่าวว่านี่เป็นการยืมชื่อเก่าซึ่งเป็นที่รู้จักมาทำหนังสือเล่มใหม่ที่ทันยุคทันสมัยก็คงไม่ผิดนักเพราะแม้มีโครงเก่าอยู่บ้างแต่เนื้อหาก็ต่างไปมากจนแทบไม่เหลือเขาเดิมซักเท่าไหร่เราเชื่อว่านี่จะเป็นก้าวแรกที่ให้กาลังใจกับทุกท่านว่า วิปัสนาอันเป็นบทฝึกล้ำค่าที่สุดในพุทธศาสนานั้นหาใช่เรื่องเกินเอื้อมไม่แม้จะยังอยู่ที่บ้านมิได้ขยับออกไปสแสวงวิเวกหาสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่อย่างไรเลยก็ตามสมกับที่คุณดังตรินได้เขียนไว้ในโปรยปกฉบับเดิมว่าคู่มือชั้นอนุบาลเตรียมสารถึงปริญญาสาขาเห็นโลกตามจริงเพื่อทิ้งนิสัยห่วงทุกเสียทีลงชื่อ สำนักพิมพ์ฮา่าคำนำผู้เขียนภายในหนึ่งนาทีที่คุณเริ่มอ่านบทแรกของหนังสือเล่มนี้เป็นที่คาดหมายได้ว่าคุณจะรู้สึกเข้ามาในตนเองแบบที่ต่างไปจากเดิมเนื้อหาของหนังสือทั้งเล่มที่เหลือส่วนใหญ่จะกระชับสั้นเน้นการก่อประสบการณ์ทางวิปัสสนาด้วยการอ่านตัวเองออก บอกตัวเองถูกว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในตนเองและอะไรหายไปแล้วจากตนเองอนุบาลคือชั้นเรียนแรกสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาวิปัสสนาคือการรู้กายใจตามจริงว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเพื่อจะหลุดพ้นจากความกระวนกระวายเกี่ยวกับตัวตนอันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง วิปัสนาอนุบาลเป็นคำสนธิระหว่างวิปัสนากับอนุบาลและเป็นเทคนิคที่จะช่วยนำคุณออกจากจุดเริ่มต้นมารู้จักกับวิปัสนาแบบเข้าตัวและตรงทางกันจริงๆวิปัสนาแบบเข้าตัวคือการฝึกเอาเรื่องไกลตัวทิ้งไปและเอาเรื่องในตัวอันได้แก่กายใจนี้เข้ามาแทน วิปัสสนาแบบตรงทางคือการฝึกเอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการดับทุกข์ทางใจทิ้งไปเอาเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบระ ง, งับและการตื่นรู้ของจริงอันเป็นเหตุแห่งการดับทุกข์เข้ามาแทนเพียงดำเนินวิปัสสนาแบบเข้าตัวและตรงทางไปได้ไม่นานสิ่งที่จะเห็นเป็นผลทันใจคือคุณเปลี่ยนนิสัยจากคิดมากเป็นคิดน้อยหรือยกระดับ จากแค่คิดน้อยธรรมดาเป็นมีสติมากในการคิดกระทั่งในที่สุดก็ยกระดับจากมีสติมากในการคิดเป็นรู้ชัดว่ากำลังคิดเห็นจิตอยู่ส่วนจิตเห็นคิดอยู่ส่วนคิดไม่มีตัวตนผู้คิดซึ่งจะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ไร้ยทุก์อย่างน่าพิศวงเพียงอ่านและลองทำตามอย่างน้อย คุณจะรู้จักกับความสงบยิวเวกทางจิตที่มีรถอันเยี่ยมและเพียงสงบได้ในท่ามกลางความวุ่นวายกับเครื่องเร้าให้เร่าร้อนทั้งหลายก็นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิตแล้วมิใช่หรือลงชื่อดังตรินมกราคมพุทธศักราช2557